ท่านศรธาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านศรัธาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดเกี่ยวกับคิหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสําหรับคือหัดว่าด้วยเรื่องทิฏหกต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้ว ได้ว่าไปได้หลายข้ อ, อเริ่มตั้งแต่ทิศลนืมหน้ามารดาบิดาทิศลุ่มขวาครัาจารย์ทิศลุ่งหลังบดภรยาทิศเลื่งซ้ายคือมิสหายแล้วก็ทิศลื่งต่ําคือบ่าวพรายฉะนั้นวันนี้ก็จะได้พูดถึงทิศลุ่งบนคือสมณะอพรามซึ่งถือว่าเป็นทิศที่หก เป็นทิศสุดท้ายฉะนั้นปราการแรกก็ให้ท่านผู้หลายมาเข้าใจคำว่ า, าสมณพราหมณ์เสียก่อนคำว่าสมณะนี้แปลว่าผู้สงบผู้สงบผู้สงบด้วยกายสงบด้วยวาจาคือสงบด้วยใจก็หมายความว่าทางกายทางวาจาใจนั้นสงบ สังเกตเรียบร้อยก็คือมีศีลมีธรรมนั่นเองมีศีลมีธรรมถ้าจะแยกให้ชัดอีกก็คือว่าผู้ที่เป็นสมณะนั้นเาจะต้องมีความสงบกายทางกายก็ต้องไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดเวณีทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอร์เจอร์ ทางใจก็ไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบามตอนร้ายผู้อื่นและไม่เห็นผิดจากทานองชองรัมนี่เรียกว่าผู้ที่เป็นสมณะจะต้องสงบกายวาจาใจแต่ถ้าหากพวกเป็นสมณะยังไม่สงบกายวาจาใจก็หาเรียกว่าสมณะไม่ส่วนความหมายของคาว่าพรามพราม น, นี่ก็คือว่าการประพฤติหรือการอยู่อย่างตรือหมายถึงว่า ผู้เป็นพรรแพ้หรือเป็นพรหมนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ลอยบาปคือมีบาปอันลอยแล้วก็เท่ากับว่ามีกายวาจาใจอันสงบแล้วนะบาปทางกายบาปทางวาจาทางใจก็หมดไปแล้วเนีแล้วก็มีคุณธรรมก็คือถ้าเป็นพรหมก็มีคุณธรรมเมตตากรุณามเมตตาอุเบกขาฉะนั้นการที่เเราไวรหวทิพย์มุ่งบนก็คือไหวสมณะพรามณ์คือนักบวชนั่นเอง นักบวชนี้บางที่ก็เรียกว่า Raum บันปะชิตมันเป็นปะชิตมันปะิดนี่แปลว่าผู้ะละเว้นนะหรือผู้เว้นทั่วเว้นทุกอย่างอย่างที่กาาหัดเขากระทํำเว้นทุกอย่างนอย่างนี้เรียกว่าอบันปะชิอดหรือบางทีก็เรียกว่าพิกสูพิสูนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในพระพุทธศาสนาคือเห็นภัยในวัฏฏสงสารเห็นภัยในการ กเกิดแก่เจ็บตายนะวิ่งอย่างนี้เรียกว่าพวกพิกษุขนะฉะนั้นคําว่าพิสุนี้ก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นนักบวชที่โกนศีรษะหงมเหลืองเสมอไปแม้แต่พวกฆราวาสที่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในการดํารงชีวิตก็ได้ชื่อว่าเป็นพิกษุเหมือนกันนี่ก็ขยายความให้กว้างออกไปฉะนั้นการไหว้ทิเพื์องบนสมณะพราหมณ์ คุรบุตพึงบำรุงด้วยวัฏฐานห้าอย่างคือหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาข้อที่สองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาข้อที่สามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาข้อที่สี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดปตูคือนิได้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือน ข้อที่ห้าด้วยให้อาภิสฐานอันนี้ก็หมายความว่ า, าผู้ที่เป็นสมณะนั้นคุณระบบพึงมังด้วยสถานห้อย่างก็หมายความว่าจะต้องมีความเคารพเคอเข้าไปตั้งกายกรรมพูดง่ายก็คือว่าเข้าไปตั้งกายกรรม ป, ประกอบด้วยเมตตาจะทำอะไรนั้นจะต้องประกอบด้วยเมตตาเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ สานการณที่สองในทางวจีกรรมก็เหมือนกันจะพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องพูดโดยเมตตาไม่เป็นคนพูดโกหกไม่เป็นคนพูดอหลอกลวงหรือพูดสอเสียดอพูดอพูดอยุยงส่งเสริมทำให้ผู้อื่นเขาต้องแตกแยกกันหรือว่าพูดเพิรเจอร์อะไรทํานองนี้หรือเราต้องพูดแต่ความจริงแล้วก็พูดอคําอ่อนหวาน พูดคำมีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาแล้วก็พูดให้ถูกการละเทศะอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรานั้นประกอบด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาคือพูดพูดไปด้วยความปรารถนาดีพูดไปพูดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ผู้ฟังก็สบายใจนะผู้ฟังก็สบายใจประการที่สามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา หมายความว่าคุณบุตรทุกคนงผู้หญิงผู้ชายก็จะคิดทําอะไรก็ต้องประกอบด้วยเมตตาคือคนเราถ้าหากว่าคิดทําอะไรประกอบด้วยเมตตาโลกนี้ก็จะอยู่อย่างสันติสุขโดยปราศจากการอิจฉาเสียกันปราศจากการข่มเหงดูหมินดูแคลนซึ่งกันและกันปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เป็นสวนดอกไม้โลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความช่นชื่นเบิกบาน แต่ที่โลกนี้ต้องเดือดร้อนอวุ่นวายก็เพราะว่าการโลกนี้เต็มไปด้วยการอิจฉาขยาการแก่งแย่งการชิงดีชิงเด่นการเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดแต่ที่จะเอารัดเอาเปรียบกันคิดแต่จะกอบโกยอเอาให้มากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยมนไม่ได้ด้วยโกลเอาด้วยคาถาหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่ามันไม่ถูกต้องตามทํานองครองทรน สถาการที่สีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูใน้คำว่าไม่ปิดประตูนี่หมายความว่าไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้สมณะพรามเข้าบ้า น, นคือการปิดประตูก็เท่ากับว่าเป็นการปิดไม่ให้คนดีเข้าบ้านนั้นถือว่าผิดมากคนดีเข้าบ้านก็ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลมากแต่ถ้าเราไปปิดขวางทางมงคลความเจริญก้าวหน้า และความจเจริญก้าวหน้ามันจะเข้าบ้านช่องเราได้อย่างไรก็หมดโอกาสฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นคารวาดผู้หญิงผู้ชายควรจะนึกถึงมากนะอันนี้ในอดีตการก็มีองค์สาเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสุปปพุทธะนะสุ ป, ปพุทธนั่นก็ถ้าพูดภาษาจ า, านก็เรียกว่าเป็นพ่อตาของเจ้าชายติธตา เ้วยเจ้าช้าคือทาออกบวชจมบินทบ า, ท, าที่บ้านก็ปรากฏ ว, ว่าได้เอาได้เอาหนามมาล้อมเป็นรัออ้วกนไม่ให้พระพุทธเจ้านั้นออก อ, ออกบินบทบฏได้ฉะนั้นด้วยอานิสงส์ที่ไม่ก่ อ, อ ก, กรรมกับองค์ธธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุข ป, ปัพุทธเจนได้ถูกแผ่นดินสูบนี่แผ่นดินสูบฉะนั้นในข้อนี้มันเหีก็จึงอยากจะให้ท่าน ผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจว่าการที่เราปิดช่องทางไม่ให้พระเดินเข้าไปวินาศก็ดีหรือถ้าไม่พระไปบ้านในช่องก็ดีอันนี้ถือว่าเราปิดกั้นหรือว่าขวางกั้นทางแห่งความเจริญเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการที่เราได้พบเห็นพระนั้นก็ถือว่าเป็นการเห็นสิ่งที่เป็นมงคลเห็นในสิ่งที่ประเสริฐ ฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นบเสรดจะไปที่ไหนมันก็เป็นมงคลบเสดทั้งนั้นแต่เราไปห่วงไปห้ามเสียอันนี้แหละก็ทําให้เรานั้นเท่ากับเรียกว่าไม่เป็นอค า, าราวาสที่ดีหรือไม่เป็นบุคคลที่ดีในฐานะที่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พื้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเง้านี้บางครั้งก็ไปเชื่อสิ่งที่ผิดผิดฝังใจมันนานอย่งเึ่นว่า พระเข้าบ้านสี่องค์ไม่ได้นะถือว่าคาพระเข้าบ้านสี่องค์ต้องมีความผิดอาจจะคนในบ้านมันอาจจะต้องอเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะต้องตายอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วพระสี่องค์เนี่ยเท่ากับครบองค์สมพอดีนะตามมินายนะตามมินายยติดกว่าพระหนึ่งองค์นั้นก็เรียกว่าเป็นบุคคลถ้าสององค์ถึงสาองค์ก็เรียกว่าเป็นหบุคคละ พราว่าสี่องค์ขึ้นไปก็เป็นสมให้ว่าครบอง์สมพอดีฉะนั้นพระขึ้นบ้านสี่องค์ก็เท่ากับว่าครบองค์สงพอดีไม่เป็นมงคลเหลือเกินเป็นมงคลแต่คนไปคิดวา่าพระเข้าบ้านสี่องค์ในนักคนในบ้านต้องมีอันเป็นปัยเจ็บไข้ไอป่วยหรือตายโ่ยไปคิดว่าพระสี่องค์นั้นท่านมาสวดศพ ส, สวดอภิธรรมนี่อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเป็นเรื่องเข้าใจผิดขอให้ท่านผู้ฟังไม่กลับจิตกลับใจเสียใหม่ พระจะกี่องค์ก็ได้เข้าที่บ้านเราเป็นมงคลทางนั้น้นนยิ่งครอบองค์สงก็ยิ่งดีนะยิ่งดีมากเอก็ขอให้ได้เข้าใจตามนี้ว่าอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องผิดอะไรเลยนะมันไม่ผิดหรอกบางคนยังเข้าใจมากยิ่งไปกว่า น, นั้นในบทที่พระสวดอภิธรรมนี่ที่นําไปสวดศพจะมาสวดในบ้างไม่ได้ทาไมจะไม่ไ ด, มม ด, ออด้เพราะมันเป็นมงคลดีออกที่สุดเพราะมันเป็นอพิธรรมนะี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพมนาะ กุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลทำทั้งหลายที่ไม่เป็นกุศลก็คือเป็นอกุศลแล้วก็ทำทั้งหลายที่เป็นอัพยาปิดเป็น ก, กลางๆงไม่ดีไม่ชัว่วเนี่มันว่าถึงเรื่งดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราก็เลยไปเหมาเอาว่าไอ้บทนี้สวดแล้วก็คนใไปสวดให้คนตายถ้นั้นจะมาสวดที่บ้านคนในบ้านก็อาจจะต้องตายนี่เป็นเรื่อเข้าใจผิดก็ ข, ขอให้เข้าใจในหม่ว่า เราทุกคนนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทะานสองที่เราเห็นทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นทายาททายาทที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกัน อ, อุปถัมภ์บำรุงท่านาทําบุญใส่บาตรท่านตามโอกาสตามฐานะประการที่ห้าก็ด้วยให้อามิสทานก็คือให้วัตถุข้าวน้ําเช่นมีการใส่บาตรหรือทําบุญถวายปจัจจัยสีมีอาหารข้าวน้ํา เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคในอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี้ยได้ทําหน้าที่บํารุงนะบํารุงอาสมณพรามก็จะทําให้มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเมื่อเราได้บํารุงสมณพรามอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็ย่อมจะมีอนิสงส์สมณพรามณ์เม่ได้รับการบํารุงชนิดนี้แล้วก็ย่อมจะบุคราะห์คุณบุตรด้วยสถานหกประการคื อ, คอหนึ่งห้ามไม่ให้กระทําความชั่ว สองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอุเคราะห์ด้วยน้ําใจอัน ง, งามสี่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังห้าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งหกบอกทางสวรรค์ให้อืะบอกทางสวรรค์ให้ยคือหมายความว่าวผู้ที่ทําหน้าที่เป็นสมณพราหมนั้นหรือนักบวดนั้นก็มักจะห้ามไม่ให้คนเราทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนให้ทําความชั่ว การทําความชั่วนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นและยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะตกแต่อบายภูมิให้มีโอกาสได้ไปสุคติก็จมีแต่ความเดือดร้อนทวนประ ว, ระวยัยและยิ่งไปกว่านั้นก็นําความเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลมาให้ฉะนั้นเราจะต้องไม่ทําความชั่วทางกายทางวาจาและจิตใจประการที่สอให้เราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความดีการทําความดีนั้นก็เท่ากับว่า เรายกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นความดีก็ทําทางกายทางวาจาทางใจทำทางกายก็เรียกว่ากายสุจริตทำทางวาจาก็เรียกว่าจีสุจริตทำทางใจก็เรียกว่ามโนสุจริตส่วนในทางทําชั่วกับตรงกันข้ามกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตนี่เรียกว่าเป็นการทําความดีมาในข้อที่สามก็คืออันเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงานธรรมดาสมณะพราหมณ์นี้เป็นผู้มีอัตจารัยสุขุม เลือกเย็นรอบครอบฉคณะแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะอนุเคราะห์ประชาชนด้วยน้ําใจอันดีพูดประกอบด้วยเมตตาพูดด้วยความสมรวมระวังให้ความเห็น อ, อกเห็นใจแนะนําอตักเตือนบอกทางดีหนีทางชั่วใหอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าอนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันดีงามข้อที่สี่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังคือสมณพราหมณ์นี่เป็นทำหน้าที่เป็นผู้สอนประชาชนนีเป็นผู้สอนเป็นผู้อบรม ให้ประชาชนนั้นมีศีลมีธรรมหรือว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นสิ่งใดที่เราไม่เคยได้ฟังท่านก็จะสอนให้เราได้ฟังไม่เคยได้รู้ก็จะให้รู้ที่รู้แล้วก็จะให้รู้ยิ่งขึ้นไปหรือเมื่อรู้บ่อยๆเข้าก็ทําให้หายความสงสัยได้เมื่อหมดความสงสัยแน่นอนที่สุดจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานเมื่อจิตใจแช่มชื่นเบิกบานก็ทําให้เรานั้นทาความเห็นได้ถูกต้อง าตามหลักวัคตุทศาสนาเรียกว่าเราฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังคือท่านมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิสมถะและวิปัสสนากาการที่ห้าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งก็หมายความว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่ฟังอะไรบ่อยๆเข้ามันก็เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดความเจ่มแจ้งคนเหมือนกับการ เราพัฒนานอาหารเราจะกินครั้งวเดียวให้อิ่มไปตลอดทั้งวันทั้งปีนั้นไม่ได้เราก็จะต้องอกินบ่อยๆเราต้องกินบ่อยๆมันก็อิ่มเหมือนกันอันนี้ถึงที่เราฟังนะฟังบ่อยๆเข้าก็ย่อมแข่มแจ้งเราย่อมบันเทาความสงสัยเรียได้นะจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานประการที่หกก็คือว่าบอกทางสวรรค์ให้ก็หมายความว่าบอกทางสวรรค์ก็คือว่าให้เราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในคุณงามความดีนะตั้งอยู่ในคุณงามความดี นคนมีศีลมีฐานเท่ากับเรียกว่าคนถ้าหากว่ามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่ามีความอายแก่ใจมีความเกรงกลัวก็จะทําให้เกิดเป็นเทพปิยดาหรือเทพพระบุตรเทพปิยดาแล้วก็ผู้ใดก็เจริญพราะมิหารธฐานก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกผู้ใดที่ได้เจริญสมรถะและวิปัสสนา ปัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นจริงคื่อนนัตตาควา ม, ไ ม, มวไม่มีตัวไม่มีตนก็จะพ้นจากทุกข์ผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานอันนี้ก็เท่ากว่าเป็นการบอกทางสวรรค์ให้ฉะนั้นท่านนักเกรยียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายถ้าพูดถึงการบรรยายเรื่องสมณะพราม์ถือว่าเป็นทิศที่หกทิศเบื้องบนอที่เราควรเคารพนับถือด้วยเสียงก้าวนะก็เป็นเพียงด้ว ย, ย่อนะเป็นเพีย ง, ง ย, ย่อ นั้นก็จะพอสรุปอีกสักนิดหน่อยเพื่อให้ได้ใจความมลตั้งแต่ต้นนะว่าได้พูดถึงร่องาทิศยหกคำว่าทิศก็หมายว่าด้านนี่แปลว่าข้างนเช่นอทิตด้านหรืออาทิศด้านใต้ทิศด้านตะวันตกอาทิศด้านตะวันออกอาทิศด้านอาคเนทิศด้านพระรดีทิศด้านพายัพทิศด้านอิสารทิศด้าน มุอาพายกันแล้วแต่เึ่งอย่างนี้ถือว่าเป็นอาคันหมายของว่าทิสมาแปลว่าด้านหรือข้างถ้าแปลตามศัพท์ว่าด้านที่เห็นหรือว่าข้างที่ปรากฏก็หมายความว่าลูกควนหกจังพวกมีมารดาปิดาเป็นต้นมีสมณะพรามเป็นที่สุดเหล่านี้ปรากฏเกี่ยวข้องรอบด้านจึงได้นามว่าทิศการคอยรับใช้อุปถากอุปถากมารดาบิดาหรืออุปถาก ครูอาจารย์หรือว่าเราอุปถากพวกวิสายอุปถากเบาไพร่แล้วก็มาอุอามาบำบุงสมณพราหมณ์แน่นอะนที่สุดเราก็ย่อมจะ ม, ม, ม, จมีแต่ความสุขความเจริญนะมีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการที่คอยรับใช้อุปถากมารดาบิดาหรือว่ า, าสมเคราะห์บุตรภรยาอุปถากอาจารย์ เราจะต่างกันอย่างไรเราก็คอยรับใช้ให้เหมาะสมตามฐานนะนะหมายความว่าให้ปฏิบัติด้วยกําลังกายแล้วก็ให้เคารพด้วยจิตใจนะให้เคารพด้วยจิตใจเช่นให้เช่นในยามที่มารดาบิดามีกิจอะไรเราก็ต้องรับกิจของเราไปช่วยทํากิจของท่านครูอาจารย์มีกิจอะไรที่จะต้องเรียกร้องเรายืมของเราเราก็จะใหนะ้เราก็จะให้ สามีก็ต้องบำรุงภรรยาด้วยไม่ประพฤตินอกใจอาสามีก็ไม่ไปส่งสู่ทำชูยย้หรือหญิงอื่นอยางนี้นชื่อว่าไม่ประพฤติรุ่งใจส่วนภรรยาก็เช่นเดียวกันต้องยกย่องอาสามีนะต้องยกย่องสามีซึ่งหมายความว่าเราก็ไม่ประพฤตินอกใจสามีอีกเหมือนกันแล้วก็ขยนันในทำกิจการงานบ้านงานครัวงานบ้านงา น, งา น, งานครัว อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเราต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงอของญาติของสามีอีกด้วยอนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ควรทราบเมื่อยิ่งไปกว่านั้นพวกเราทุกคนนั้นจะต้องมีวิตรมีเสถียเราก็ต้องมีการสงเคราะห์ะกันตามฐานะเนื่สงเคราะห์กันตามฐานะช่วยเหลือเพื่อกูลกันแล้วเราก็ต้องมีบ่าวมีไพ่บ่าวไพ่ถือว่าเป็นคนรับใช้เขาก็รักสุขเปลี่ยนทุกกับเราฉะนั้นเราต้องยกย่องเขา อยกช่องเขาใช้งานเขาให้เหมาะสมกับกำลังสติปัญญาของเขานะเราก็จะได้สบายใจนะเราก็จะได้สบายใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําตามนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าขอให้เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความอุปถรัรมนารุงกับสมณะพราหมณ์เพราะว่าการนารุงสมณะพราหมณ์ก็ถือว่า เป็นผู้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วศาสนาจะดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เฉพาะาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่หากไปว่าพุทธบริษัทตั้งสัง้งสีพิสุพิจุณีบาศกบาจิกาแต่และคนต้องช่วยกันทําหน้าที่อของตนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อเราทําได้อย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวเราก็มีแต่ความสุขสังคมก็มีแต่ความสุขประเทศชาติก็มีแต่ความสุข อันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าเหตุชัไหนพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกเอาบุคคนหกจำพวกมีมัรดาบิดาเป็นต้นเปรียบ ด, ด้วยทิศหกอันนี้ก็หมายความว่ามานดาบิดาเป็นผู้ได้อุปการะบุธิดาตั้งแต่แรกนก่อนกว่าใครทั้งปวงเปรียบเหมือนท่าอาทิตย์เมื่อแรกขึ้นไปในอากาศก็ย่อมขึ้นแต่ทางทิศตะวันออกก่อนฉะนั้นจึงสมควรเทียบด้วยอาทิตย์เบื้องหน้า ส่วนอาจารย์ได้ทั่มสอนสิทชี้ทางผิดทางถูกให้ควรดําเนินและก็ทางในควรดําเนินไปทางใดไม่ควรดําเนินเป็นเหมือนกับแขนขวาเป็นเหมือนหลุดแขนขวาของสิทธิเพะฉะนั้นจึงสมควรเปรียบว่าเป็นทิศทักษิณเป็นทิศทักษิณคือทิศลื่มขวาอส่วนภรรยาถือว่าเป็นทิศลุ่งหลังอถือว่าเป็น ถือว่าเป็นทิศเบืงหลังจึงสมควรเปรียบว่าบุตรภรรยานั้นก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของสามีฉะนั้นแน่งานที่สุดอสังเกตดูภรรยาหรือบุตรนั้นจะทําอะไรก็คยสนับสนุนสามีให้ียกว่าเอาสามีอยู่ข้างหน้าเป็นประธานตัวเองนั่นเดินตามหลังก็จึงเรียกว่าเป็นทิศเบืงหลังจึงสมควรมากเสริมมิตรผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน เป็นดุดแขนซ้ายก็สมควรเทียบด้วยทิดมุ่งซ้ายทิดนุ่งซ้ายส่วนบ่าวเป็นคนทํา ง, งานฝ่ายต่ำํำยอมตนเป็นคนต่ํากว่ารับทํา ง, งานของเจ้านายสมควรเทียบกับทิดมุ่งล่วงล่างหรือว่าทิดมุ่งต่ำํำนะทิศนุ่งต่ําส่วนสมณพราหมณ์เป็นผู้สูงกว่าครหัดโดยมีคุณมีศีลเป็นต้นเป็นผู้ชี้ทางเพื่อให้ถึงความเจริญ ด้วยคุณในเบื้องต้นตลอดจนมักผลุิพานจึงสมควรเทียบด้วยอาทิตย์เบื้องบนนะอาทิตเบื้องบนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเรื่องของทิศถกนะเป็นเรื่องของทิศถกเพียงยอดๆทีนี้ถ้าหากว่าจะมีคำถามว่ า, าบุตธิดาพึงโ ง, งานดาบิดาด้วยห้าสถานนั้น ยังไหนจึงจะบำรงในการไหนนะเรียกว่ามันมีการไหมีนะ่ยอันนี้นะักเรียนนะักศึกษาหรือท่านผู้ฟังก็น่าจะรับรู้รับทราบเอาไว้อนะ่าว่าสถานที่บุติดานะนะหลักที่นหนึ่งหมายถึงว่าบุตริดาที่จะบํารุงในการเมื่อมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ในข้อสองข้อสามข้อสี่ให้ทําในเมื่อมารดายังมีชีวิตอยู่ด้วย และให้ทําในเมื่อมารดานั้นแล้วท่านร่วงลับไปแล้วนะแล้วส่วนในข้อที่ห้าให้ทําในเมื่อท่านสิ้นชีพไปแล้วนะทีนี้ถ้าจะถามอีกว่าบุตรพึงปฏิบัติอย่างไรในข้อที่สี่แห่งพิษเบื้งหน้าก็ตอบได้เลยว่าบุดพึงปฏิบัติอย่างนี้คือประพฤติเป็นคนดีเป็นที่ไว้วางใจของท่านว่าทรัพย์มรดกที่ท่านมอบให้นั้น ไม่จะไม่อันตร า, ายสูญเสื่อไปเพราะความประพฤติของตนโดยเว้นจากอบไรยมุง ค, คือช่องทางแห่งความเสื่อมเสียหรือเหตุแห่งความชิบหายสี่ประการหรือจา้าก็จะถามอีกว่ามีบิดาเช่นไรชื่อว่ามีบิดาดีเมื่อได้บิดาเช่นนั้นแล้วถ้าเราเป็นครหัสควรจะทำอย่างไรแก่บิดาอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องบุญวาสนามากคนที่มีบิดา ผู้ทำหน้าที่ของบิดาจริงๆเลี้ยงดูมาด้วยเมตตาจิตและบำรุงด้วยสถานห้าอย่างคือห้าแม่ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาภรรยาสามีที่สมควรให้นอบซับให้ในสมัยที่สมควรเช่นปีใหม่หรือวันเกิดอะไรก็สื่นบานใหม่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้บิดาเช่นนี้แล้วถ้าเป็นฤๅษหัดก็ควรฉลองคุณท่านด้วย สถานสี่อย่างคือท่านได้เลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบทาการกิจการงานของท่านดํารงวงศกุลประพฤตลให้เป็นคนควรนับทัพย์มรดกเมื่อท่านเ่อนรับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้อย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเนานั้นได้ทําหน้าที่บํารุงมารดาบิดาอย่างแท้จริงและงานาบิดาก็ย่อมจะหนุเคราะห์เราฉะนั้นหน้าที่ซึ่งมารดาบิดาจะพึงหนุเคราะห์ุตนั้นต่างกันกับหน้าที่ของอาจารย์จะพึงหนุเคราะห์สิธิ์ได้อย่างไร ถ้าจะมีคาถามอย่างนั้นก็แก้ว่าส่่งกันก็มีเช่นอาจารย์ยกย่องศิษย์ให้ปรากฏในหมู่ทุ่นสูงแล้วก็ทําความปกตงในทิศทั้งหลายส่วนมาดาวิดาหาภรยาที่สมควรให้และมอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันสมควรนี่นี่ก็เ ป, กเป็นหลักอย่างหนึ่งเป็นหลักอย่างหนึ่งที่นี้ถ้าหากว่าจะถามว่าแลนะครูอาจารย์นะเนะีครูอาจารย์นะที่ว่า นานดาวิดาทำหน้าที่สั่งกับครูอาจารย์ส่วนเรื่องของครูอาจารย์ก็คืออย่างเช่นนานดาวิดาห้ามไม่บุตรทำความช่วยตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาส่วนอาจารย์ก็ย่อมอนุเคราะหบุตรก็คือแนะนำดีให้เรียนดีบอกศิลปะวิทยาให้โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอันตรางอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าหน้าที่ของ <c oughs> ของนานดาวิดาที่จะเป็นอนุเคราะหบุตร แตกต่างกับหน้าที่ของอาจารย์ที่คุณชะมีความสิทธิ์อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าว่าจะมีคำถามว่าถ้ามีญาติพี่น้องเจ้ามุรโมเข้าในทิศไหนนะหมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเจ้ามุรโมเข้าในทิศไหนจึงจะเหมาะเพราะเหตุไรอันนี้ญาติพี่น้องที่มีอายุเช่นลุงป้านะอาก็ควรจัดเข้าในทิศบนหน้าเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่อทั้งอยู่ในฐานะเดียวกัน กับมารดาบิดาญาติพี่น้องที่มีอายุรุ่งเราาค่าวเดียวกันเช่นพี่หรือน้องควรจัดเข้าในทิศเบื้องซ้ายเพราะอยู่ในฐานะเดียวกันควรจะรักใคร่นับถือกันอย่างนิดส่วนญาติพี่น้องที่มีอายุน้อยเช่นหลานเป็นต้นควรจัดเข้าในปฏิมทิศเพราะอยู่ในฐานะาเดียวกันกับบุตรธิดานะกับบุตรธิดาก็การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอทิศหกมาก็ เห็นว่าพอสมควรกับเวลาฉะนั้นก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทิศหกถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรจะพิจารณปฏิบัติให้เป็นไป เ, เป็นต้นว่าทิศเรื่องหน้าบาัรดาบิดาบุตรควรบํารุงทิศเรื่องขวาคืออาจารย์บุตรก็ควรให้ความสิทธิ์ควรให้ความเคารพแล้วก็ทิศเรื่องหลังคือบุตรภรยาก็สามี ก็ควรให้ความอนุเคราะห์และประเทิศเบื้องซ้ายคือมิตรก็ควรให้ความเคารพซึ่งกันเลยกันเทิศเบืองต่ำคือเบาะแคร่เจ้านายก็ควรอนุเคราะห์ตามฐานะอันสมควรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์คุลบุตรพึงบำรุงตามฐานะอันสมควรเพื่อทำแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร วันนี้จะได้พูดในหมวดของที่หกปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับครือขัดต่อจากคราวที่แล้วแล้วฉะนั้นวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่าเรื่องอบายยมุกคือทางแห่งความชิบหายหรือว่าทางแห่งความเสื่อมมีหกอย่างหนึ่งดื่มน้าเมาสองเที่ยวกลางคืน สามเที่ยวดูการละเล่นสี่เล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตรหกเกียรติค้านทำการงานทั้งหกอย่างนี้ถือว่าเป็นอบายมุก ค, คำว่าอบายมุกซึ่งก็ได้พูดในตอนต้นมาถึงแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกสี่คำว่าอบายก็คือหมายถึงว่า ไม่สบายนั่นเองนะอาบายก็คือไม่สบายอามุกขะนี่แปลว่าทางก็ได้นะแปล ว, ว่าทางหมายถึงทางไม่สบายไอ้ทางไม่สบายก็คือว่าทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความทุกข์ทางแห่งความเดือดร้อนนะไอ้ทางแห่งความทุกข์ไม่สบายนี่แหละมันเป็นเหตุให้ชิบหายให้เราเกิดความหายนะก็ลองมานึกดูว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมคือทางอย่างนี้พระพุทธองค์ท่าน ไม่บอกไปเลยว่ามีแต่ความชั่วมีแต่ความหายนะอย่างเดียวนะจะไม่มีความเจริญเลยประการแรกในข้อที่หนึ่งก็คือดื่มน้ำเมานะดื่มน้ำเมานี่ถ้าเรามาว่าตามหลักแล้วก็คือว่าคนเรานี่หมดเนื้อหมดตัวมาเพราะน้ำเมาเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นไอ้น้ำเมาในที่นี้ก็คือได้แก่น้ำคือสุราเมาไรนะน้ำคือสุราเมาไรอาจจะพูดไปถึงเกี่ยวกับเรื่อง พวกอฟินกัญชาหรือกระทอมหรือพวกฟินเนอร์อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเป็นพวกยาเสพติดทั้งนั้นนะพวกนี้ก็จะจัดอยู่ในของมึนเมาได้นะอยู่ในของมึนเมาได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละถ้าใครไปจิตเข้าแน่นอนที่สุดความหายนะก็เกิดขึ้นขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูอาการแรกก่อนที่เราจะได้น้ำเมามาเราต้องเอาทรัพย์ไปซื้อนะต้องเอาทรัพย์ไปซื้อถรืจะได้ อ่าฟินกัญชาในมาก็แล้วแต่เราจะต้องเสียทรัพย์ไปนะนี่เสียทรัพย์นะประการที่สองเมื่อเล่าเข้าปากหรือสิ่งมึนเมาเข้าปากไปเราก็เสียศีล น, นะเราเสียศีลเพราะเป็นฆราวาสก็ดีเป็นพระสงฆ์งคเก็ดีต้องมีศีลทางนั้นฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้าปากไปเราก็เสียศีล น, นะเมื่อเราเกิดความมึนเมานะขาดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ทําให้เราเราต้อเสียคนฉะนั้น คนที่ติดอวัยมกนี้โดยเฉพาะาดื่มน้ําเมาก็ต้องเสียสามอย่างคือหนึ่งเสียทรัพย์สองเสียศีลสามเสียคนนะเสียคนแต่ที่นี้เรามานึกดูซิว่า้น้ําเมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยคนที่เคยแต่งตัวดีแต่พอเมาไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการแต่งตัวสกรปรกคนที่เคยพูดเพราะก็ ก, กลายเป็นพูดคําหยาบแข็งกระด้าง คนที่มีความเรียบร้อยก็กลายเป็นคนที่อไม่เรียบร้อยนะมีเรียกว่ากลายเป็นคนทะลึ่งตึงตังนะคนเคยร่ำรวยก็จะยากจนนะคนเคยรักลูกรักเมียก็ทําให้ลูกเมียเบื่ออวมระอ า, อาพูดไม่รู้จักหยุดจักย่อนนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะเรื่องนําเมาฉะนั้นขอให้เราสังเกตดูจะเป็นข้าราชการหรือเป็นประชาชนน้อยเราแต่ ย่อมจะเสียเพราะน้ําสิ่งนี้กันมากมาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเรานั้นไปหลงเข้าใจผิดเวลาประสบกับปัญหาต่างๆของครอบครัวก็ดีหรือปัญหาของชีวิตก็ดีก็หาทางออกด้วยการดื่มน้ําเมานักว่ามีเหล้านี่แหละเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตได้อ่าแต่จริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้เลยยิ่งหนักเขา้าทําให้เราเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้น นี่เราแก้กันไม่ถูกเราเข้าใจกันมาผิดนานแล้วก็ก็ยังเข้าใจผิดกันต่อไปอีกกลายเป็นหาว่าเป็นเรื่องมีเกียรติเรื่องก้ไปฉะนั้นมีงานบุญงานกุศลหรืองานอาวมงคลต่างๆจะเป็นบวชพระแต่งงานหรือ ท, ทาอะไรก็แล้วแต่ทำบุญขึ้นบานใหม่งานปีใหม่ก็ตองกรัรสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเรื่องสุราหรือเรื่องเหล้า ถือว่าเป็นเรื่องจาเป็นถือว่าเป็นประเพณีนี่เราไปถือกันไปอ้างกันถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ถือมันก็ไม่เป็นอะไรดันั้นสิ่งนี้เข้าไปในงานไหนงานนั้นก็เสื่อมมากงานนั้นก็เสียชับมากแล้วก็เสียคนมากเสียเครื่องใช้ไม้สอยมากบางครั้งก็มีการฆ่ากันมีการชกต่อยกันมีการทุบตีกันเรียกว่าถ้วยโถโอชามตู้แตกกันไปเป็นเยอะแยะนะ นี่ก็เพราะน้ำเหาว่าใชการก็เป็นส่วนมากเงินเดือนไม่พอเนะงินเดือนไม่พอก็เพราะว่าเอามาดื่มลงคอหมดนะแล้วเหล้าในกินคนเดียวไม่อร่อยจะต้องกินมีเพื่อนฝูงนะกินมีเพื่อนฝูงจึงอร่อยล้วกินแล้วก็เรียกว่าที่เขาเรียกว่าเหล้าบางๆานางงามงามะต้องมีกับแก่้มดีๆต้องมีเสียงเพลงต้องมีนางมาคลุกเคล้ากับเหล้ามันจึงจะอรอร่อย ฉะนั้นอันนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษอย่างเดียวนะลูกเมียบางครั้งก็เดือดร้อนเพราะพ่อที่กินเหล้านั่นเองแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเอาเป็นเรื่องโก้ใครไม่กินเหล้าก็ถือว่าไม่โก้ไม่เป็นสุภาพบุรุษอันนี้มันตรงกันข้ามนี่แหละคือทําให้เราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอฉะนั้นที่บอกว่าคนที่กินเหล้ามักจะมีอาการก็คือหนึ่งบางคนกินแล้วก็มีอาการเหมือนหมูคืเาเป็นหมูกินแล้วก็นอน ก็ดีอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยมีทุกข์มากแต่ว่า ม, มันมีข้อเสียก็คือว่าทำให้เสือมเสียการงานคือการงานไม่เดินโมเจนนอนโมแต่นอนนะตันนเาเตอร์ที่สองกินแล้วก็เหมือนงูกินแล้วเรื้อยเดินเต็มทางเต็นถนนเลยถนนกว้างห้าวเจ็ดวานนี่เดินเต็มเลยพวกกีเนมะ้านี่กินเหมือนงูสายไปสายมาสายไปสายมา ประเภทที่สามกินแล้วก็เหมือนหมาหรือเหมือนสุนัขขอประทานโทษใช้คําพูดไม่สุภาพอกินแล้วเหมือนสุนัขก็คือว่ากินแล้วก็ส่งเสียงเออะอะเจียวจาโวยวายเหมือนกับไอสุนัขนั่นแหละนะเป็นที่รําคาญของคนทั่วไปประการที่สี่กินแล้วก็เหมือนเสือกินแล้วดุชักมีดชักตูนอ่ามีดผาหน้าไม้เอามายิงเอามาทุบมาตีกันเปลี่ยนกลาง อ, อันนี้แหละเรียกว่า อาการของคนคิดเล่ามันว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้บอกไว้ว่าการดื่มน้ำเมานั้นมีโทษหกอย่างคือหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามทำให้เกิดโรคต่างๆข้อสี่ต้องถูกคนติเตียนข้อที่ห้าไม่รู้จักละอายข้อที่หกทอนกำลังปัญญานี่อันนี้ทั้งหกข้อนี้ก็ เป็นโทษของการดื่มนาเมาฉะนั้นอที่พูกเฉพาะเรื่องนาเ ม, มามาก็พูดเป็นเพียงย่อๆนะมาในข้อที่สองที่ว่าเที่ยวกลางคืนนะการเที่ยวกลางคืนนี้นะรนนจริงๆแล้วการเที่ยวนี่มันก็เป็นเรื่องของการอพนะักผ่อนย่อนใจนะพักผ่อนย่อลใจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มันเป็นเรื่องเสื่อมเสียมากกว่านะเป็นเรื่องเสื่อมเสียมากกว่าเพราะการเที่ยวกลางคืนนั้น ก็สังเกตดู ม, มันมักจะมีเรื่องมีราวหรือบางครั้งก็เป็นที่เราแวงสงสัยอของคนทั่วไปว่าจะเป็นโจรเป็นเสืออะไรหรือเปล่าหรือเป็นขโมยโจรอะไก็แล้วแต่ล ะ, ะไม่ดีฉะนั้นการเที่ยวกลางคืนนี้ก็มีโทษถึงหกอย่างคือหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวเองอก็หมายความว่าไม่รักตัวนะว่ราะงั้นถ้าคนรักตัวต้องไม่เที่ยวแล้วเที่ยวก็ไม่ควรเที่ยวกลางคืน กลางวันก็ต้องรู้จักเที่ยวว่าควรที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไปที่ใดมีประโยชน์ที่ใดไม่มีประโยชน์ข้อสองเชื่อไม่รักลกูกรักเมียเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวนั้นเถ้าว่าเรา น, นหาความสุขส่วนตัวหาความสุขคนเดียวปล่อยลูกเมียให้อยู่บ้านเกิดความอ้างว้าง ว, าว้าเหวอะฉะนั้นการที่เราเที่ยวกลางคืนก็ชื่อว่าไม่รักลกูกรักเมียบางครั้งเราไปเที่ยวเราก็ติดลมบนไปค้างบ้านเพื่อนค้างบ้าน คนโน่นคนนี้อทําให้ลูกเมียเป็นห่วงทําให้เป็นห่วงว่าพ่อจะไปไหนเอกลับเมื่อไรอะไรงี้ไม่มีใครรู้ใครทราบะฉะนั้นอย่างนี้ชื่อว่าไม่รักลูกรักเมียข้อที่สามชื่อว่าไม่รักษาสมบัติพือหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติต่างๆของเร า, เาตั้งแต่พวกทรัพย์สินเงินทองลวลควายไรนาะหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งลูกเมียก็ถือว่าเป็นสมบัติ ฉะนั้นอคนอื่นอาจจะมาแย่งชิงเอาไปได้ฉะนั้นการที่เราได้ไปเที่ยวกลางคืนก็ถ้าว่าเราไม่รักษาทรัพสมบัติไอสิ่งที่มีอยู่ที่บ้านอาจจะหายไปก็ได้นะอาจจะหายไปก็ได้เฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าเรานั้นไม่รักษาทรัพสมบัติแปลการที่สี่เป็นที่หวาดระแวงของคนทั้งหลายเพราะการเที่ยวเตะกลางคืนนั้นแน่นอนที่สุดทําให้คน เขาหวั่นเกรงว่าจะเป็นขโมยัโจุนมาตัดช่องย่องเบาหรือมาที้พ่นค่าเข า, เามาทํารบโฉลกรับรับล่บลบล อ, ล อ, ลออันนี้มันก็ลําบากหรือบางครั้งเราเดินไปตาตรอกซอกซอยถนนหนทางมือมือคา ค, คำคนเดียวที่เปลี่ยวอาจจะถูกโจมผู้ร้ายจี้หรืออาจจะเป็นที่ขะนองโืขนองมีดปืนฐาหน้าไม้ของคนอีกประเภทหนึ่งก็ได้อาจจะตายหรือก็ได้นี่ ดะงนั้นมันจึงบอกว่าการเที่ยวกลางคืนนี้จึงเป็นที่ระหวบาดระแวงของคนทั่วไปแต่การที่ห้ามักถูกใส่ความถ้าเกิดว่าในทางที่เราเดินผ่านไปนั้นมีการาลักขโมยกันหรือว่ามีการขี้ค่อนฆ่ากันพระเอเร้าจับใครไม่ได้ไมาเห็นเราเดินไปถึงตรงนั้นพอดีเราก็อาจจะถูกใส่ร้ายเกความว่าเป็นขโมยผัดขจุหรือว่าเป็นผู้ที่ตัดช่องย่องเบา ก็ได้รับผลหนึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนแทนโดนตัวจริงไปก็ได้นะโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่เพราะมันเป็นยามวิการเราก็สุดที่จะหาทางแก้ได้ประการที่หกก็ได้รับความเดือดร้อนก็คือได้รับความลําบากนานๆประการอเพราะว่าไฟที่เกิดการขึ้นมันเยอะอาจจะเกิดจากการาที่เราเดินไปถูกสัตว์งูงเหี้ยมเที่ยวขอตะคับอะไรมันกัดมันต่อยเราก็ได้หรืออาจจะเกิด จมผู้ร้ายดักจี้ร่มเราก็ได้และอา จ, จถูกใส่ร้ายใส่ความอะไรก็ได้มันเยอะแยะอะ่เยอะแยะอันนี้เป็นโทษของการเที่ยวกลางคืนนะโทษของการเที่ยวกลางคืนฉะนั้นถ้าใครหลีกได้เว้นได้ก็ดีมีประโยชน์เวลการที่สามการเที่ยวดูการละเล่นนะการเที่ยวดูการละเล่นอันนี้ก็หมายถึงว่าการละเล่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นที่เราไปเที่ยวดูดนตรีดู เตามสถ า, านที่ต่างๆตามพวกบาครับอบอาบนวดอะไรก็แล้วแต่และที่เขามีงานต่างๆที่เป็นที่นู่นสูงนั่นแหล่งชุมนุมกันนี่มันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษนะมีแต่ทุกมีแต่โทษเราก็จะต้องเสื่อมเสียทรัพย์แ ล, แล้วก็อาจจะต้องเสียเนื้อเสียตัว เ, เสียชีวิตเลยก็ได้นะเสียทรัพย์แล้วก็เสียชีวิตเลยก็ได้ฉะนั้นการเที่ยวดูการละเล่นก็มีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกอย่าง หนึ่งราที่ไหนไปที่นั่นนะเขามีการไล่ทําที่ไหนไปเพราะอยาก อ, าอยากรำไออยากรํำนี่แหละบางทีก็จะต้องมีการชิงนางรํากันนะใะการชิงนางรานี้ก็อาจจะฆ่ากันตายก็ได้หรือบาดเจ็บทุกโพลภาพก็ได้แต่การที่สองขับร้องที่ไหนก็ไปที่นั่นก็อาจจะมีการเขเม่นกันนะอาจจะมีการประลองกัน ก็อาจจะทําให้ยกพวกมาตีกันก็ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้อาจจะตายก็ได้บาดเจ็บทุกประเภทไปก็ได้ประการที่สามดีสีตีเฝ่าที่ไหนก็ไปที่นั่นในนี้ก็เหมือนกันอประการที่อสี่เสพาที่ไหนไปที่นั่นคือเขามีการขับร้องมีการอะไรก็ไปอยู่เรื่อยประการที่ห้ามีเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นอยากประกวดร้องเพลงกับเขาบัางอยากจะแสดงให้เขาเห็นว่าเรานั้นเป็นผู้อมี เสียงดีถือว่าก็เป็นนักร้องดีเป็นนักเล่นทีดีนี่แต่การที่หกก็เทิดเท้ง ท, ที่ไหนก็ไปที่นะอ่นถ้า่า เ, เทิดเทิงี่ก็เป็นพวกกองยาวลูกกอง ร, รมนาอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องดูการละเล่นก็มีโทษตามที่ได้กล่าวมาอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอโทษที่จะเกิดนั้นนอกจากจะทําให้เรานั้นต้องเสียเวลาเสียสุขภาพอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ การที่เราไปที่นั้นนั้นก็อาจจะมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอาจจะถูกยิงถูกแทงถูกฆ่า้ายก็ได้อหรือยิงไปกว่านั้นก็เราอาจจะไปถูกมลกหลงอะไร ก, ก็ได้ในงานนั้นแะ น, นี้แหละมันมีแต่โทษอย่างเดียวนะมีแต่โทษอย่างเดียวมาประการที่สี่คือเล่นการพนันเล่นการพรนันก็มีโทษอีกเหมือนกัน เพราะว่าการพนันนั้นมันมีแพ้มีชนะนะ่ะการพนั น, นมันมีแพ้มีชนะวันนี้เราชนะแต่พรุ่งนี้เราอาจแพ้นะ่ะวันนี้แพ้พรุ่งนี้ก็อาจชนะนี่มันจะต้องพลิกกันไปพลิกกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไปถามคนที่เล่นการพนันจริงๆแล้วก็แพ้มากกว่าชนะนะทุกคนนะ่ะแพ้มากกว่าชนะใหม่ๆก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะ่ะมันเหมือนกับเบ้อเราไปเล่นใหม่ๆรู้สึกมือเห็น ขึ้นหรือเกิดแทนสิบได้ยี่สิบได้ร้อยแทนพันได้เป็นหมื่นเป็นแสนรู้สึกว่าเราดีใจเราภูมิใจนี่คนเรามันมินโลกนะอยากได้มากพออยากได้มากนี่ก็พอได้มากๆเขาก็เลยแทงมากๆเพื่อต้องการให้มันได้มากรากวว่าพอแทงมากเขาก็หมดเนื้อหมดตัวนี่พอหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายก็จะแก้ตัวยิ่งแก้ตัวก็ยิ่งหมดนะยิ่งหมดเข้า ฉนั้นจึงบอกว่าการเล่นการพนันนี้มีแต่ความหายนะลูกเดียวยิ่งทุกวันนี้จะเห็นว่าประชาชนชาวไทยของเราทกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคตรงมันออกมีเล่นกันมากอย่างหนึ่งก็คือเล่นเรื่องหวยใต้ดินนะเรื่องหวยใต้ดิน เ, เล่นกันมากบางที่เห็นกระทุ่มกันเป็น ล, ล้านนะเป็นสิบล้านก็มีวิ่งกัน แต่คอยท่านลองถามดูเถอะคนที่เล่นการพนันตามบ้านตามตลาดที่ไหนก็แล้วแต่มีใครรวยไม่มีจนทางนะ น, นะจนกันทาง น, น, นะวันไหนได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากินเลี้ยงกันอะไรกันหมดบางทีไม่พ อ, อที่ได้มาบางครั้งก็เปีหนึ่งนี่ถูกสองครั้งสามครั้งคุยไปเจ็ดปีแต่ไอ้ที่เสียไปตั้งยี่สิบสามสิบครั้งไม่เคยพูดถึงเลยนี่ไม่เคยพูดถึง ฉะนั้นนี่แหละการพนันเนี่ยมันมีแต่ความหายนะลูกดินแล้วเราจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยมีการหักหลังกันมีการฆ่ากันในบ่อนการพนันมากเกี่ยวกับเรื่องเองิน เ, เรื่องทองอเยอะแย ะ, ะเยอะแยะเลยเขาจึางบอกว่าไฟรไม่บ้านสิบครั้ง่ะก็ยังดีกว่าโจรปล้นบ้านอยังดีกว่าโจมปล้นบ้านไอโจรปล้อนอ่าเขาบอกว่า ไฟไหม้บ้านสิบคร <ded> <c oughs> ัก็ยังดีกว่าโจนปลดโจนปล้นบ้านสิบครั้งก็ยังสู้เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไม่ได้ไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ยังสู้กับเสียการพนันครั้งเดียวก็ไม่ได้นี่เพราะไอโจนปล้นก็ยังเหลือสิ่งของยังบ้านช่องไวไ้ให้เงินยังเหลือไว้ให้แต่ไฟไหม้บ้านบ้านช่องก็หมดเลยทรัพย์สมบัติก็หมดอาจจะเหลือที่ดินนะแต่ว่าเล่นการพ น, น, นันไม่หมดบางทีบ้านช่องห้องหอหมด พาที่ดินก็หมดนะหมดบางครั้งต้องจำนำลูกจำนำเมียรทรัพสมบัติไม่มีเหลือหรอเลยมีเกี่ยวกับเรื่องการพนันแล้วในระยะนี้เราจะเห็นว่ามีข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์ทรืทางสถานีวิทยุประกาศเกี่ยวกับเรื่องทลายบ่อนการพนันใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลก็ปรากฏว่าจับกันได้มากเพมีอาวุธสงครามเออยอะแยะ นี่เราจะเห็นว่าตามบ่อนการพนันและแหล่งการพนานมากๆนี้พวกเราได้เอาเงินไปขลังกันเป็นถุนมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีผู้หญิงเล่นไม่แพ้ผู้ชายบางที่มากกว่าผู้ชายเสียอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทน่าคิดเหมือนกันถ้าหากว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้แน่นอนที่สุดประชาชนประชาชนประเทศของเราก็มีกำลังอ่อนแอคนติดกันเกี่ยวกับเรื่องสยสตร์ จขออ้อนวอนหาตัวเลขให้บอกหวยเบอร์บอกหางเลขเอะไรกันต่างๆนา น, น, า, น, น, า, นายิ่งไปกว่านั้นก็จะทำให้มีการอาดายากรรมมากแล้วก็มีการรักขโมยกันมากมีการชี้ปล้นกันมากก็เพราะเรื่องบ่อนการพ น, นัน อ, อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมีแต่ทุกมีแต่โทษอย่างเดียวฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนา จึงได้บอกไว้ว่าการเล่นการพนันนั้นมีโทษถึงหกอย่างคือหนึ่งเมื่อชนะผู้ชนะย่อมก่อเวรหมายความว่าคนชนะนั่นแหละเป็นผู้ก่อเวรให้กับคนแพ้ให้กับคนแพ้สองเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปนี่ให้คนแพ้มันเสียดายก็ผูกความอาคาตอยากจะมาแก้ตัว หรือบางครั้งก็ไม่คิดจะแก้โดยสุจริตก็อาจจะแก้โดยลุกปืนหรือแก้โดยมีดหรือบางครั้งก็มีการหักหลังกันเดี๋ยวนั้นมีการฆ่ากันอันนี้เราจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆประการที่สามับย่อมชิบหายในต่างคนก็ต่างชิบหายด้วยกันเท่านั้นนะย่อมชิบหายประการที่สี่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำคนที่เล่นการพ น, นันก็มักจะโกหกพกลมนะ่ไปได้ได้น้อยก็ว่าได้มาก นะ่ได้น้อยก็ว่าได้มากได้ได้เท่านี้ก็ว่าไปได้เท่านั้นนะเพืพื่อไม่มีความจริงบางครั้งก็ต้องไปหลอกหาสรญกล่าวเขาว่าเอาไปโน่นไปนี่ไปโกงเงินเขามาไรสารเพศสารพัดจริ ง, รงๆแล้วเราก็เสียการพนันนั้นเองนะหมดเนื้อหมดตัวเนะียเกี่ยวกับเรื่องหมดเนื้อหมดตัวประการที่ห้าก็คือว่าเป็นที่อมินประมาทของคนทั่วไป คนที่เล่นการพนันนั้นไม่มีใครอยากกบค้าสมาคมาแค่แต่งงานกับใครใครก็ไม่อยากจะแต่งงานด้วยนะไม่อยากประสงค์จะแต่งงานด้วยไม่มีใครประสงค์ที่จะแต่งงานด้วยฉะนั้นขอให้ท่านสังเกตดูว่าคนที่เล่นการพนันนั้นเป็นคนประมาทมากนะประมาทหรือเกิดขาดสติเหลอเรอ่ไม่สามารถที่จะทําทรัพย์สมบัติของตนนั้นให้งอกงามด้วยความสุจริตได้ จึงต้องเอาทัพย์นั้นไปเล่นไพ่เล่นหวยเล่นยเล่นตัวเล่นอไอสารพัดหรือสนามมา้าอะไรของเราอางนี้แล้วกดว่าผู้ที่ออกมานั้นก็น่าสิดทั้งนั้นเรียกว่าไปซื้อหญ้าให้มา้ากินเฉยๆแทนที่ว่าเราจะเอาเงินเอาทองนั้นมาอยู่กับโลกกับเมียมาสร้างฐานะมาเก็บหอมรอมริบไว้ปก็ไม่ได้คิดนะเอาไปทุ่มเทยอย่างนี้หมดเนี่ยน่าเสียดายนะน่าเสียดายนี่ถือว่าประมาทมากกเลาประมาทมา ก, ะมามากฉะนั้นอันนี้แหละจึง อยากเคียวขอฝากบรรดานักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายไว้ว่าโทษของการเล่นการพนันนั้นมันมีแต่ความไหยนะลูกเดียวนะมีแต่ความไหยนะลูกเดียวไอ้ส่วนความแพ้นะเห็นท่าจะไอ้ความชนะจริงๆนะหายากนะหายากนะขอให้ท่านลอ ง, งนึกดูกความจริงสิ่งที่รอบๆตัวของท่านนะท่านจะมองเห็นเลยนะท่านจะมองเห็นบางคนนี่บอกว่าไปทํางานมาได้วันละห้าสิบบาท ก็ต้องให้ค่าหวยไปแล้วอย่างน้อยก็สามสิบสี่สิบาทเนี่ยมันเกินขึ้นไปแล้วไอ้ที่หลวงที่จะมาจูนเจอือครอบครัวมันก็หมดไปเนี่ยมันก็หมดไปนี่น่าเสียดายไหมเอี่ยน่าเสียดายแล้วเราเนี่ยไปเล่นการตนันเนี่ยเรานั่งหน่ายทั้งวันทั้งคืนบางคนเคยมาบอกเมื่อสองสามวันได้รู้จักกับยอมคนหนึ่งบอกว่าเคยนั่งหน่ายถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนบางครั้งเนี่ยหลับในนะ ภายในลนมื้อไปหมดเลยนี่อย่างนี้ก็มีนี่เราคิดดูสิเราไปเสียเวล่ำเวล า, าเสียสุขภาพเสียการงานเสียทรัพย์สินเงินทองโดยใช่เหตุอะไรเลยนะโดยใช่เหตุถ้าหากว่าเราเอาเงินนั้น่มาออกดอกออกผลฝากธนาคารหรือเอาไปลงทุนปลูกผักนางกลางหญ้าอะไรนี่แหมมันก็จะทำให้ อนาคตของครอบครัวนั้นสดใสเจริญก้าวหน้าแต่เราก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดจะรวยทางรัฐนะอย่างนี้ก็หายนะทุกอย่างนะหายนะทุกอยายเขาเรียกว่าคนที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจตัวเองได้คิดแต่จะเอาชนะผู้อื่นไอ้คนที่คิดเอาชนะผู้อื่นยาวหวังเลยที่ว่าจะชนะถ้ายังชนะตัวเองไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไลยว่าอัตตาเหวจิตตังสยโยว่าชนะตัวเองนั่นแหละประเสริฐแต่ชนะคนอื่นหาประเสริฐไม่ ไม่มีทางกระเสริฐดะนั้นเดี๋ยวนี้ยาวว่าแต่ในกรงหรือในที่เจริญเลยแม้แต่ตามมั่นนอกคอกนาตามชนนบดลลกเล็กเด็กแดงผู้หญิงผู้ชายก็รู้สึกว่าเล่นไพ่กันมากนะเล่นไพ่เล่นการพนันกันมากเพราะว่าเรามีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มาชักชวนหรือว่าล่อตาล่อใจที่จะให้เยาวชนของเรานี่เล่นการพนันมากนี่เท่ากับว่า ทางผู้ใหญ่ของเราไม่ได้ออสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงก็เท่ากับพวกเราไปมอมเมาเยาวชนทําให้เยาวชนของชาตินั้นต้องมาหลงติด ก, กับอบายมุขต้องม า, าเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียศีลแล้วก็เสียเนื้อเสียตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการพนันดันั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบน่าจะช่วยกันสอดส่องดูแลให้มากนะ อย่างนี้ก็จะทำให้เยาวชนของเราหรือทำให้ประชาชนาชาวาไทยของเรานั้นมีสมรรถภาพแล้วก็มีเศรษฐกิจดีขึ้นนะการที่ห้าคือคบคนชั่วเป็นมิตรนะเรื่องคบคนชั่วนี่ก็ถือว่าสำคัญมากนะคนเรานี่มันมีต้องอยู่คนเดียวไม่ได้นะจะต้องมีเพื่อนดันั้นเพื่อนของเรานี่ก็มีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งดีทั้งชั่วนะ คนโบราณจึงบอกว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวอัปราชัยนี่ฉะนั้นถ้าว่าเราครบคนดีไอ้คนดีก็ย่อมแนะนำให้เราทำดีนะคนดีย่อมแนะนำให้เราทำดีแล้วก็ป้องกันทรัพย์สมบัติของเราได้นะป้องกันทรัพย์สมบัติของเราได้แล้วคนดีนั้นก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลเราได้ยามเราตกทุกข์ได้ยากคนดีก็ช่วยได้ แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนําในสิ่งที่เป็นธุระยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนที่ดีก็สามารถจะเอาชีวิตเข้าแลกได้นี่ฉะนั้นการที่เราคบเพื่อนดีนั้นถือว่ายิ่งกว่าได้แก้วได้แหวนยิ่งกว่าได้ทรัพย์สมบัติจังมีคํากลอนบทหนึ่งว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีกลวนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้ําเค็มเต็มทะเลนี่หรืออีกคํากลอนบทหนึ่งว่า คนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตักเตือนเงื่อนนาตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่ไม่ดีเลยนะฉะนั้นการคบเพื่อนควรจะคบเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีอาทีนี้ถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วก็มีแต่ทางทําลายเพื่อนชั่วนี่เรียกว่าชักชวนให้เราดื่มน้าเมาก็ได้ชักชวนเราเที่ยวกลางคืนก็ได้ชักชวนไปเที่ยวดูการละเล่นก็ได้ชักชวนไปเล่นการสนันก็ได้ อให้เป็นนักเลงหญิงก็ได้เป็นนักเลงสุราก็ได้เรามันสารเรพัดเลาเยอะนะเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเป็นคนเจ้าชู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนคนชั่วเนี่ยมันมืดมันบอดได้หมดนะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าครบคนชั่วเป็นมิตรก็มีโทษตามบุคคลที่ครบหกอย่างหนึ่งทำให้เป็นนักเลงการพนันสองทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้สามทำให้เป็นนักเลงเหล้าสี่ทำให้เป็น อ่าคนหลอกลวงเขาให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมคืออาจจะเอาของอ่าปลอมไปแลกไปขายไปซื้อไปเปลี่ยนข้อห้าทําให้เป็นคนกงเขาซึ่งหน้าข้อหกทาให้เป็นคนหัวไม้อให้เป็นคนหัวไม้คือเป็นนักเลงนั่นเองอทําให้เป็นนักเลงนี่เป็นเรื่องของคนในการคบคนชั่วเป็นนิดฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงพยายามเลือกคบคนที่ดี ไอคนชั่วมันคอยจะเอาเปรียบเราบางครั้งต่อหน้าคนมันก็ยกย่องสรรเสริญแต่รับหลังก็ปรับนินทาเราเพื่อนชั่วพยายามลงทุนน้อยแต่วาวงเอาประโยชน์มากนะเป็นโัวเพร่จะจบสอพลอฉะนั้นอันนี้เราจะต้องระวังให้มากถ้าเราได้เพื่อนที่ดีก็เหมือนกับว่าเราได้รั้วที่ดีมีบ้านที่ดีนะมีสิ่งที่คุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้ ม, ม, มลมคุ้มแดดป้องกันพันอันตรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าเพื่อนไม่ดีแล้วก็แม้ให้บ้านใหญ่โตอยู่สิบชั้นมันก็อาจจะหมดได้นะอาจจะหมดได้มีเงินเป็นร้อยล้านก็หมดได้สมัยพุทธกาลในนี้ตั้งสี่สิบห้าสิบโกดนะจึงกี่ร้อยล้านแสนล้านยั่งหมดได้นี่เพราะเพื่อนชั่วฉะั้องขอให้เราทุกคนจงระลึกไว้เสมอว่าคบแต่คนดีก็จะเป็นสีแก่ตัวเองจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญที่เรียกว่ากัลยาณมิตรหรืออย่างที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ในนงคนสูตรว่า เสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมามุตตมังว่าอยากคบคนทานควนครคบแต่บัณฑิตควรบูชาบุนคคลที่ควรบูชาก็จะเป็นมงคลอันตบเติบเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าฉะนั้นเราทุกคนควรจะคบคนดีมาบายมุกในข้อที่หกว่าเกี้ยกข้านทําการงาน ให้คนเกียรติ้านนี่ทรัพย์สมบัติไม่เกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอุทษาตาวินทะเตทะหนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แต่ถ้าคนเกียรติค้านก็หาทรัพย์ไม่ได้นะหาทรัพย์ไม่ได้นะมีแต่ยากจนมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเราจะต้องขยันนะเราจะต้องขยันหรือ ยังพุทธภาสิตอีกบทหนึ่งว่าวิริเยานทุกขมัสเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรฉะนั้นถ้าเกลียดคราแต่แล้วก็หมดท่าทําให้เราไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาทําให้เราไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีคุณงามความดีฉะนั้นอาโทษของความเกลียดคราก็มีอยู่หกอย่างหนึ่งมักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทําการงานสองมักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทําการงานสามมักอ้างว่าเย็นนักแล้วไม่ทําการงานสี่ มักอ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทําการงานห้ามักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทําการงานหกมักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทําการงานฉะนั้นผู้หวังความเจริญด้วยโทรศัพย์ก็ต้องเว้นเหตุทางชิดหายหกประการก็จะมีแต่ความปกความเจริญในที่สุดขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจ